ปัดไปเรื่อยไปเร้ม่มันมันค่อยรู้จักคุณค่อยรู้จักรู้จักรู้จักขคุณค่อยฉลาดฉลาดฉลาดเตนเรื่อยเรื่อความคิดนั่นก็ไม่มากปัญญามันมากเต็มมากเต็มความคิดมันจะน้อยลงคิดไปแล้วกอจัดพาเจอความคิดมันเลยเป็นทุกข์มมันจบประการมากอืม แคนั้นไม่ๆหวเขาเป็นทุกข์มากลําบากนึกว่ามันจะหายไม่ได้นึกว่ามันจะไม่มีทางจบจริด้แต่เมื่อมันจบลงมันก็จบเองมันมันมืดสเองอมันก็ไม่ไปที่ไหนแล้วยังทํำอ่ะทำมกุโตเขาก็สืบไฟสืบไฟเขาต้องไปเป็นอะไรนะยังเรียนหนังสืออีกละและมมูกุฏโต เป็นอาจารย์ใหญ่กรรมฐานนะมัง้งท่านกระพุทเป็นอาจารย์กรรมฐานไปเราไปที่แดกมานั่งอยู่เฉยไม่พูดหรือเราก็ไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็จำไม่ได้ดลุงรังมดหนวดเราน้องพ่อจำผมได้ไหม โใก่แล้วุดโตแล้วนึกว่าปีศาจไว้ศึกษาประยในแด้เปล่าค่อยๆทำสมาธิเจริญปัญญาไปในตัวที่นี่โดยมากการปฏิบัติที่นี่ในสมัยนี้ในสมัยนี้นะ สมัยทีเดียวนี้เรายึดมาจากท่านอาจารย์มั่นฝ่ายธรรมยุทธ์โดยมากฝ่ายมานิตกายนั่นโดยมากไม่ต้องถือปวนัยแต่โดยมากแต่มีเหมือนกันแต่แตน้อยภาวนาไปเลยอย่างนี้ฉะนั่นเมื่อพวกเรา เป็นคุณบุญรูกหลานมาพบเข้าก็เก้อเขินสงสัยว่าอันใดมันถูกอันใดมันผิดอย่างนี้เป็นต้นอืมย่างลดมันถูกอย่างล ด, ม, งดมันผิดเนี่ยมันก็ลังเลสงสัยบุคคลที่ได้อบรมพระวินัยมาแล้วระเบียบมาแล้ว จะมาละโดยพระบินัยนั่นก็ไม่สบายใจน่ะไม่เคารพต่อพระวินัยนั้นไม่ปฏิบัติพระวินัยนั้นก็ไม่สบายใจนี่กลุ่มนึงกลุ่มที่สองนั้นก็เรียวกว่าเราเคยปล่อยเคยวางมาแล้วเรื่องพระวินัยเราไม่เกี่ยวข้องเมื่อเรามาเทศพระวินยัยฟังก็ไม่สบายใจอีกครับอย่างนี้ ตอนนี้ไปไม่พอใจทั้งหลายเ่านี่ในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นในความเป็นจริงนั้นเราทุกคนก็ต้องพิจรารณาอย่างพวกท่านทั้งหลายมาทุกวันนี้รู้ภาษาไทยแล้วพอสมควรแน้วกจะดูพอไกลปีดุกก็ได้ เป็นรากฐานที่ให้เรมองเห็นได้ว่าพาไกปิฎกมีอะไรบ้างอย่างนี้เราก็พอควรเห็นได้ว่าพาไกปิฎกทันที่ว่าอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรนี้เราก็พอรู้ของเราผู้ที่รู้ภาษาไทยแล้วอ่านหน้เนื้อกระดางกระด้างคนก็ต้องศึกษากันมาทุกๆุกคนในความเป็นจริงนั้น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 กายวาจามันก็เกี่ยวเนื่องกันกับกิจอยู่แล้ว ม, มันเกี่ยวเนื่องกันศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเราแยกกันออกเป็นสามอย่างประมือนไม้สามี่มันมันอยู่อย่างเนี้ยถึงแม้มันเป็นคนละที่หรือมันเป็นสามี่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 เรามาตัดนี่หนึ่งแล้วก็ตัดนี่เป็นสามท่อนนี่แต่ใบไม้สามท่อนนี่ก็จริงแต่มันตัดออกจากกันนี้ก่อนมันก็ติดกันอยู่เป็นท่อนเดียวแต่เรามาตัดมันดอกเนี้ยมันก็เป็นสามท่อนเป็นนี่ท่อนหนึ่งเป็นนี่ท่อนหนึ่งเป็นนี่ท่อนนึงปฏิบัติธรรมะนี่เหมือนกันถ้าเรามาตัดเปนดอกเนี้ยก็เป็นศีลเนีเป็นสมาธิเนี้ยเป็นปัญญาเนี่ย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 ทีนี้การประพฤติปฏิบัติเนี่ยให้เข้าใจว่าเราปฏิบัติธรร ม, มะปฏิบัติธรร ม, มะทำอะไรรูปพระธรรมนามพระธรรมรูปธรรมก็คือร่างกายแล้วนามพธรรมก็คือเรื่องจิตของเราเขามีเท่านี้เราจะมองเห็นดูง่ายๆก็ได้ว่ามันมีเท่านี้ไม่มีอื่นไกล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 ที่เราเข้าใจว่ามันถูกเงินบางทีผิดก็มีอืมเพราะอะไรเพราะไอ้จิตของเราเนะี่ยมันมืดไม่รู้แจ้งตามเป็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายนั้นจิตของเรานี้คือความเห็นขอาตัวเอาเป็นประมาณไม่ได้เอาเป็นประมาณไม่ได้เพระาะจิตเราไม่รู้ตามความจริงตามเป็นจริงแล้ว เออเอาเป็นประมาณไม่ได้ดังนั้นพระพุทธเจ้าจันจึงตรัสว่าการฟังธรรมะอย่างวันนี้เหมือนกันการฟังธรรมหรือพวกท่านทั้งหลายอยู่ที่นี่ก็จริงมีพระพระพาโรและวรปัญโยรูเป็นประธานในที่นี้ท่านก็เป็นผู้แนะนำทั้สอน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 ไอ้สิ่งทีไม่ชอบใจนั้นมันเกิดเป็นธรรมะแท่จริงก็มีเราคนคนหนึ่งก็เหมือนเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็มาถูกคนโกหกเขากลกบอกว่าอันนี้ถูกอย่างนี้มันก็เชื่อเพราะเรามันโงูเขาชี้ว่าจริงที่ถูกนั้นว่าอันนี้ผิดเราก็เชื่อเขาก็ได้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 เราคิดไม่ถูกแต่ก่อนผมเคยอยู่กับพวกพระมากๆผมก็ไม่สบายลวนเลนี้ไปตามป่าตามเขาวันนี้จากพวกนี้จากเพื่อนคิดสู่สามะเณรมันไม่เหมือนใจเราปฏิบัติไม่เก่งเหมือนเรามีความประมาท คนโน่นเป็นอย่างโน้นคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งให้เราวุ่นวายเป็นเหตุให้นีไปไปเรื่อยๆไปไปอยู่องค์เดียวก็มีสององค์ก็มีก็ไม่ได้ความสบายไปอยู่องค์เดียวก็ไม่ได้ความสบายไปอยู่หลายองค์ก็ไม่ได้ความสบายไปอยู่ที่อกราบมากเยอะแยะก็ไม่สบาย ที่อยู่เอกราพที่มันไม่มากไม่น้อยก็ไม่สบายใ้ความไม่สบายนี่เรากคนึงว่ามันเป็นเพราะเพื่อนอืมเป็นเพราะอารมณ์เป็นเพราะที่อยู่เป็นเพราะอาหารเป็นเพราะอากาศเป็นเพราะอันโน้นเป็นเพราะอันนี้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งนั้น เราก็แสวงหาไปทายไปตามเรื่องของเราไปเรื่อยๆแต่ก่อนเป็นพระทุรงทุรลงไปแล้วก็ไม่สบายแล้วก็ภาวนาพิจารณาไปทำยังไงถึงจะสบายเนาะเป็นไงเนาะพิจารณาอยู่อยู่มากคนก็ไม่สบายอยู่น้อยคนก็ไม่สบาย ยูอากาศที่มันเย็นไม่สบายอากาศที่มันร้อนคอไม่สบายเพราะอะไรเนาะนไม่เห็น แ, แล้วทำไมมันถึงไม่สบายเพราะมันเป็นมิจฉาทิฐิมีความเห็นผิดเพราะว่าตัวของเรานี่ยังยึดทมอันมีพิษอยู่นั่นเอง ไปอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายก็นึกว่าตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่เรื่อยไปอ่น่ะมันไปโทษคนอื่นเขามันไปโทษอากาศอืามันไปโทษความร้อนมันไปโทษความเย็นมันไปโทษทุกสารพัดอย่างมันกระหม่บ้า หมาบ้ามันจะทันาาอะไรมันก็กัดความันไปมันเป็นบ้านี่เป็นขีด น, นี้พวกเราทั้งหลายเมื่อเราปฏิบัตินี้จึงมีจิตกระสับกระสายอยู่เรื่อยไปวันนี้สบายพรุ่งนี้ไม่สบายนี่มันก็เป็นความันอยู่อย่างนี้เรื่อยไปอยู่อย่างนี้ไม่ได้ความสบายไม่ได้ความสงบ มานึกถึงพระพุทธเจ้าท่านประทับอยู่ที่แห่งหนึ่งประชุมท่าที่สูงตอนบ่ายตอนเย็นมาท่านเห็นหมาจิ้งจอกตัวหนึ่งหมาป่าวิ่งออกมาจากป่าอืมแล้วก็มายืนอยู่เมื่อยืนอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไป ในผุ่มไม้วิ่งไปในผุ่มไม้แล้วก็วิ่งออกมาแล้วไปในโพรงไม้ไปอยู่ในโพรงไม้ประเดียวพอวิ่งออกมาแล้วก็เข้าไปอยู่ในถ้าอืมพรเดียวแล้วก็วิ่งออกมาเดียวก็ยืนอยู่เดียวก็วิ่งไปเดียวก็นอนเดียวก็รุกม้จิกจอกตัวนั้นมันเป็นกี่เรือด มันเป็นโรคเรื้อนก็ยืนอยู่ไอตัวเรื้อนมันใช้กินเนื้อกินหนังมันน่ะอืยืนอยู่เปรี้ยวแล้วก็ไม่สบายแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปก็ไม่สบายแล้วก็หยุดอยู่อหยุดอยู่ก็ไม่สบายก็นอนนอนก็ไม่สบายก็ลุกขึ้นลุกขึ้นแล้วก็เข้าไปที่ปุ่มไม้ในที่ชุมทุ่งปุ่มไม้ไปนอนอยู่สบาย แนวก็วิ่งหนีว่าโป้ไม้น่าไม่ดีว่าไปในโรงไม้เข้าไปในโรงไม้ก็อยู่พักหนึ่งไอตัวที่เลื่อนน่ะเอมันใช่กินเนื้อกินหนังมันอยู่เดี๋วก็รู้รปไปอีกเธอไปใน ถ, าถ้าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทิพซุทังดายท่านเห็นไหมว่าเมื่อตอนเย็นวันนี้หมาจริงจอกตัวหนึ่งมันเดินมาอยู่นี่เห็นไหม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 ผร้ไม้นี่ไม่ดีโปรงไม้นี่ไม่ดีทำนี้ไม่ดีมันก็วิ่งยิ่ตรอดเวลานั่นฉั้นนั่นก่อนเหมือนกันกันนั่นไอ้ความจริงจริงนั่นหมาจีบจอกตัวนั้นมันเป็นกี่เลือดอืมมันไม่ใช่เป็นเพราะโคร่งไม้มันไม่ใช่เป็นเพราะผุ้ไม้มันไม่ใช่เป็นเพราะทำไม่ใช่เป็นเพราะการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่สบาย เพราะมันเป็นกี่เรื่อนชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าที่ดูทั้งหลายนี่ก็มันกันชั้นนั้นความไม่สบายนั้นคือความเห็นผิดมีอยู่ไปยึดทมที่มีพิษว้มันก็เดือดร้อนไม่สังวรสังดวมบินรีทั้งหลายนั้นอืมก็ไปโทษแต่สิ่งอื่นไม่รู้เรื่องของเจ้าของอย่างนั้น ไปอยู่วัดประคง์ก็ไม่สบายอยู่อเมริกาก็ไม่สบายอยู่กรุงดอนดอนก็ไม่สบายอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไปอยู่วันมุงหวายก็ไม่สบายไปอยู่ทุกทุกเช้านก็ไม่สบายทั้งนั้นแหละไม่ไสบายไม่นี่ก็คือความเห็นอิดนั้นยังมีอยู่ในตัวเรานั่นเองน่ะ hmm. มีความเห็นผิดยังไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมอันมีผิดไว้ในใจของเราอยู่อยู่ตรงไหนก็ไม่สบายทางนั้นนี่คือความไม่สบายมันเกิดมาตรงนี้อันนี้ผมก็เคยพบมาแล้วถ้าหากว่าเร า, าเหมือนกันกับสุนัขนะถ้าหากว่ า, าโรคเลือนมันหายแล้วนะ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 หากว่าเรามารู้จักอารมณ์ตามความจริงมันเสรแล้วนั่นมันก็สบายจะมีความร้อนไปบ้างมันก็สบายจะมีความหนาวบ้างมันก็สบายอยู่ที่คนมากก็สบายอยู่ที่คนน้อยมันก็สบายไอ้ความสบายไม่สบายมันไม่อยู่ที่คนมากคนน้อยมันอยู่ที่ความเห็นถูกเท่านั้นอยู่ที่ความเห็นถูกเท่านั้น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 ที่อยู่ของมันก็สุกกับรกอาหารของมันก็สุกกับรกที่อยู่อาหารของมันไม่ดีทั้งนั้นไม่สมควรแต่ว่ามันสมควรกับหนอนเนี่ยดองอามายไปขีดเขี่ยมันดอกจากเอ่มูดดูสิจากคูดดูสิตัวนอนนั่นมันจะดิ้นกระเสือกกระใสไปทีเดียวมันจะกลับมาหากองคูด อย่างเก่ามันมันทึกสบายมันอันนี้กอหมือนกันฉันนั้นถ้าเพียรสูร่สามเณรเราทั้งหลายมีความเห็นผิดอยู่นะครูบาอาจารย์มาแนะนําให้เห็นถูกนั้นมันริ่นนะมันไม่สบายใจอืมมันไม่สบายใจมนะันวิ่งไปหาแต่กองกองคูดมันด้วยรื่อ ย, อยละมันไม่สบายเพราะตรงนั้นเป็นที่อยู่ของมัน เมื่อไรหนอนนั่นมันยังเห็นไม่มั น, ม, นมันยังไม่เห็นความสุขกระโปกอยู่ในที่นั่นเมื่อไรมันก็ออกไม่ได้พวกเราทั้งหลายปวงมันกันฉันนั่นถ้าไม่เห็นโทษในสิ่งทั้งหลายเรานั่นมันก็ออกไม่ได้ปฏิบัติมันก็ยากลำบากอืมนะแค่นั้นจงฟังไม่มีอะไรอื่นการปฏิบัตินั้นถ้าเรามีหิน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 สัมมาวาจาสัมมาชโยสัมมาสัมพันโต ส, มมมาาาโสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาส ม, มาธิเนี่ยถ้ามีความเห็นถูกเห็นชอบแล้วมันต่อสบายมีความสงบอืมใ้พวกเราทั้งหลายนั้นอย่าไปค้นอย่างอื่นเลยอืมอย่าไปนค้นอย่างอื่นให้มันมากเลยคนต ร, ตรงนี้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 อันนี้เป็นเหตุมาตั้งแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราโน้นเมื่อท่านปฏิบัติมาครั้งแรกท่านก็ไมไมีอะไรปฏิบัติกับกิจนี่เองต่อมาเรื่อยๆมาก็มีพักพวกมีสารคดิเกิดขึ้นมาคนทำผิดก็ามากคนทำถูกก็ามากแก้ไขมาตลอดกาตรตลอดเวลาสมนี้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 ผมคุณเรว่าเอาแขกกัประรันไปอยู่ยโดยกันอยู่ที่มันจะเป็นยังไง <c oughs> มันอยู่แลกกัน <c oughs> เอาแขกมาอยู่ด้วยแขกก็ไปอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันอะไรก็เก่งมดทั้งนั้นอ่ะเดี๋ยวทำมาดีหมดเด็ดขาดทั้งนั้น <c oughs> เรื่องไม่เด็ดขาดไม่มีเลยเก่งไปนี่มาอีกพวกเซน ไม่อีกองหนึ่งตามัหวังโลกเขาอยู่นะผมบอกว่าว่าปโกรนี่อย่าเอาไว้นะนี่เอาไว้จะเกิดเทียนนี่ไอพวกเส้นนี่เออเมื่อพูดอย่างนี้แน่นอนแน่นอนหมดรูกหมดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของสมณะเรานี่เป็นหีุนะแคนั้นเราทั้งหลายต้องประกันช่วยการทำทุกคน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 หนที่จะอันโน้นอันนี้เหมือนผมอยู่วัดตๆๆ้องโปรองอะที่นี่เมื่อมีภาระมากหลายจใจผมไปทำทุกอย่างเหมือนเพื่อนก็ไม่ได้บางทีรับแขกจนเย็นกลางคืนมาจใจผมไปทำวัดสวดมนต์อยู่ติ4ทุ่มมาทุ่มมันก็ไม่ได้เด็กจะตายนะอันนี้ก็ให้พกกากันเห็น อ, อกเห็นใจให้ช่วยกัน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 โดยเฉพาอย่างยิ่งยิ่งหากว่ามาจากเมืองนอกแล้วนั่นนะมาอยู่ที่นี่มันก็ยิ่งไปคนได้ย่างอีกแหละเพราะว่าอากาศก็ไม่เหมือ น, นเราที่อยู่การปกการฉันนู้นนี่ก็ไม่เหมือ น, นกันทั้งนั่นแหละถ้าเรามาคิดคิดไม่ดีพิจานาไม่ดีกูเดือดร้อนมันถูกบังคับไปหมดทุกอย่าง ที่เราเข้ามาปฏิบัติตามพระธรรมีินนี้มันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนความรู้้วก็เปลี่ยนความเห็นหรเปลี่ยนการนอนหรเปลี่ยนการกินทุกอย่างตายพวกท่านทั้งหลายมาปฏิบัติอยู่วัดบวงวายนี่อยู่วัดตรระโพงนี่ก็เดียวาตายตายหมดทุกอย่างตาย ทำไมถึงว่างเงนเปลี่ยนออกมดทั้งนั้นเนี่ยไม่เคยกราบก็ต้องกราบไม่เคยไหว้ก็ต้องไหว้ไม่เคยทาวัดสวดมนต์ก็ทำวัดสวดมนต์ไม่เคยนั่งเป็นระเบียบอย่างนี้ก็มานั่งโอ้หลายอย่างมากอืมทุกสิ่งทุกอย่างอืมที่เราจะเป็นเป็นผ้าศิษแก่เรานี่ยเราก็พยายามเปลี่ยนแต่อาหารการปกบขันนี้ผมก็เคยไปเมืองนอก พ็ไปเห็นอาการกิริยานั่นมันไม่เจริญตรงกันนะอืมไม่เจริญตอนเช้าตอนเย็นต้องกินนมกินเนยต้องกินขนมฟังต้องอะไรต่ออะไรหลายอย่างยุ่งพมอยู่งเมืองไทยพุ่งไปเมืองนอกหรผมยุ่งไปเห็นการกินเลยยุ่งมาอันนี้พวกท่านทั้งหลายติดมาตั้งแต่เด็กเล็กนน้อยบัดนี้เราจริงๆเลยมานะมาก็เป็นทุกข์ เหมือนเวลาปัญโยเห็นไหมน่ะมาขังเรียกแตทุกข์อยู่ปีสองปีนั่นนั่งมันร้อนบางทีก็บิ่งเขห้องสวอเลยห้องนหน้ามันนอนมันยินอีกตะนวนออกมา <c oughs> เดินแหมมันทุกข์เลือดทนเลยนะมันทุกข์มากเลือเกินเลยมันทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์ หนักจะเป็นทุกข์นอนคิดมากนะอืมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือน้ำตาลมันไม่ค่อยได้อืมน้ำตาไม่คยได้บริรันยุไม่พอเนืกก้อกับหนูมากัดย่ามื่อยเอยากคนอื่นไม่ต้องกัดดอกกัดย่ามบริพนยุทุกที เลาก็แล้วพ่อหนูกัดยามมันทำไมหนูมักัดยามคือว่าเราเป็นอยู่ดามันมีสาเหตุนะมันมีถั่วอีส่งอยู่ในนั่นหนูมันก็ชอบเปี้ยงดังนั้นแหละยามเอาที่ไหนคือหนูกัดหมดเลยมันทุกตัวนี่เป็นอย่างนี้ มันทุกผมก็เห็นใจเหมือนกันมันทุกข์ที่จะพอบรรเทาทุกข์ได้ก็ประมาณสักสี่ปีห้าปีแล้วนะเรื่องบินฟ้าอากาศนี่อันนี้มันลาบากมากผมก็เห็นใจเหมือนกันอืมเห็นใจที่ไปมาแล้วไปเห็นมาแรกก็เห็นใจเหมือนกันทุกอย่างนี้แต่ยังไงก็ช่างมันเถอะนะคนเรามีทุกข์ นะมันจึงเกิดปัญญาถ้าเราไม่มีทุกเราก็ไม่ได้คิดถ้าเราไม่ได้คิดเราก็ไม่เกิดปัญญาถ้าไม่มีปัญญาเราก็ไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เราก็ออกจากทุกไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ ที่นั่นผู้ปฏิบัตินี้มาต้องมาฝึกฝนอดทนต่อสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนหมดแต่เมื่อเรามาคิดอีกแล้วเราก็ไม่กลัวเหมือนกันนะโลกเนี้ยพระพุทธเจ้าท่าน ก, ก็มาจัดทะรูในโลกนี้ไปได้สาวกทั้งหลายท่าน ก, ก็นกมกากัไไดทะรู้ในโลกนี้ทุกองท่านก็ไปได้อยู่ในโลกมันจะทุกข์ขนาดไหนอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็ทําได้ สาวกทั้งหลายต้องกระทำที่นี้มีใชืว่าท่านไปทํานอกโลกท่านทําอยู่ในโลกนี่เองทำไมท่านถึงมีปัญญาออกเป็นพระอุิญะบุคคลได้นะอันนี้ก็ให้เราเอาไปพิจารณาหลักอันนี้เอาไปพิจารณาให้มันดีนนนในความทุกข์ยากลาบากนี้มันก็เป็นมาถ้านั้นเปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนมันก็ไม่ได้ แต่ก่อนจิตใจเราอยากนี่จนกว่ามาเห็นเนี่ยไม่อยาก น, นี่จิตใจเรามันโรคจนกว่ามาเปลี่ยนว่ามันไม่โรครูจากพอดีนีเนี่ยจิตใจเรามันโกรธสมัยก่อนนั้นไม่ชอบใจเด็กก็โกรธเลยมาปฏิบัติจนเปลี่ยนว่าไม่โกรธ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 เปลี่ยนไปเรื่อยๆไปจิตอนาอยันจนหมดคําที่ว่ามันหมดนั้นก็เรียกว่ามันหมดไอ้ความเห็นตั้งแต่ก่อนมานั้นหมดไปเห็นผิดนั้นมันก็หมดไปไอ้ความถูกมันก็เกิดเกินมาดียกว่ามันหมดเรียกว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนถ้ามันเปลี่ยนไปก็ชื่อ ก็เรียกว่าเปลี่ยนไปด้วยเดี๋ยพระอริยะบุคคลพระโสดาภิกขิพระาคาพระนาคาพระอดหัน์อันนี้ก็ต้องถูกเปลี่ยนไปด้วยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่เหลือแต่กายนี้เหลือแต่กายนี้จิตใจเปลี่ยนหมดแล้วทรงวัตกายสังขารยังอยู่มีความร้อนมีความหนาว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 มันเห็นผิดมันต้องอาศัยเหตุผลเหมือนเราเดินไปเก้าหนึ่งกัดไห่มันถึงวัดหนองประพงศแล้วนี่มันก็เดินไปแล้วมันต้องเดินไปได้หลายเก้ามันจะถึงวัดหนองประพงศ์เนี่ยอันนี้มันต้องมีเหตุผลอย่างนี้เราเดินไปเก้าเรียวให้ถึงวัดหนองประพง์จากวัดหนองประพงศมาวัดบุงวยัยเดินมาเก้าหนึ่งอย่างนี้มันก็ไปได้เพราะอะไร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 มันมีทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วตัวทุกข์คืออะไรมีไหมใครเห็นทุกข์หมเห็นตัวทุกข์ไหมเห็นมันจริงจังไหมผมไม่เห็นม่นมันจริงมันจังไหยทุกข์มันก็คือความรู้สึกรู้เดียวแต่มันก็หายไปแล้วเนี่ยสุขนั้นก็มันการฉันนั้นตัวสุขสุขจริงจริงมันมีไหมของจริงจังมีไหม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 เอาแน่ตัวไหนได้ไม่มีไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะสัตว์ว่าแต่ความรู้สึกเกิดขึ้นมาสมกับคําที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่มีอะไรนอกนั้นนะมีทุกขเกิดขึ้นมาแล้วทุกขก็ตั้งอยู่เมื่อทุกตั้งอยู่แล้วทุกก็ดับไปเท่านั้นทุกมันดับไปแล้วทุกเกิดขึ้นมา แล้วก็สุขกระตั้งอยู่เมื่อสุขตั้งอยู่แล้วสุขก็ดับไปเท่านั้นเมื่อสุขไปลับไปแล้วทุกก็เกิดเกินมาเกิดมาแล้วทุกตัวตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปผลที่สุดแล้วก็มารวมเป็นอันเดียวว่านอกจากทุกนี่เกิดนอกจากทุกนี่ตั้งอยู่นอกจากทุกนี่ดับไปแล้วไม่มีอะไรมีเพียเท่านี้ ไม่มีอื่นนอกนี้มันมีเท่านี้เท่านี้แต่เราก็เป็นคนหลวงวิ่งตะคุกมันเรื่อยๆไปก็ไม่พบความจริงมันว่าอันนี้มันเป็นจริงไหมแม่มันก็ไม่จริงอีกแล้วอันนั้นมันจริงไหมก็ไม่จริงอีกแล้วมัน เ, นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นถ้าเราพิจารณาแล้วไม่ควรวิ่งตามมัน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 ผู้เป็นประธานก็มีบางที่รัะก็มีบางที่ผู้เป็นประธานก็เปียกดุจสิทธุขาเลยแต่ความอย่างอันนี้มันเป็นเรื่องของธรธ ร, รมดาของมันเท่า น, นั้นแต่แล้วมันจะเป็นของไม่จริงไม่แน่นอนทั้งนั้นดักมันที่ดีแล้วก็ะเดียวกว่าเราเป็นผู้มาปฏิบัติแล้วก็เดียวกว่าเลิกละมันแล้วมันจะเปิดมา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 เรียกว่าเราเป็นธรรมะเดินเป็นธรรมเรื่อยไปนี่อันนี้เป็นหลักที่สำคัญที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในวงการที่เรียกว่าวงการของสมณะเที่เอยู่ด้วยกันวันนี้วันนี้ผมถึงในโอกาสหาโอกาสยาก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 เป็นต้นให้ลงกระแสอันเดียวกันเอโกธรรมโมคือธรรมที่เป็นอันเดียวกันแลวก็ผมเชื่อว่าพวกท่านทั้งหลายทุกคนที่มาประพฤติธปฏิบัตินี้เดินให้มันถูกตามธรรมะของสัพพิติเจ้า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 อันนี้เรียกว่าฟังเรียกว่าฟังฟังทั้งสองข้างฟังของคลองของแม่น้าท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามคลองตามกระแสน้ำก็คือจิตของเราที่กล่าวมาเมื่อกี้นี่ว่าท่อนไม้เมื่อไปติดอยู่ฝั่งโน้น ไม่ติดอยู่ฝั่งนี้เนือท่อนไม้ท่อนนั้นมันไม่ผุไม่พังแล้วนะมันก็ที่สุดของท่อนไม้ท่อนนั้นมันก็คือโรงทะเลถ้ามันไปติดอยู่ฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้หรือมันไปผุไปฟังเสียแล้วมันก็ไม่ถึงทะเลใหญ่จิตใจของพวกท่านทั้งหลายนี้พวกเราทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็ดี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 เกิดมากระทบอยู่บ่อยครั้งถ้าจิตใจของเรานั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในความสุขอันนั้นและในความทุกข์อันนั้นแล้วนะนะจิตใจของเราก็จะถึงกระแสของปณิพานคือความสงบแล้วครับนะนี่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 กามมตุคันวิการโยโคอัจจะกิระมัทธายโยโคตะ น, นั้นดั่มไปต่ะนั้นเนี่ยให้สม่ำเสมอมันก็เป็นสัมมาปฏิปทาเป็นสัมมาปฏิบัติถูกทางเหมือนท่อนไม้ที่ปล่อยไปตามกระแสน้ําำมืันไม่ติดอยู่ฝั่งโน้นไม่ติดอยู่ฝั่งนี้มันไม่ผุไม่พังมันไม่เน่ามันก็ถึงทะเลจุนได้ เราทำ ป, ทปฏิบัตินี้เล่นจากทางทั้งสองอย่างนั้นแล้วคือกามมทสุกัณิการิโยโคอัตตะจิรมามาาโยโคแล้วนะมันก็ถึงความสงบแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้พระพุทธเ จ, จ้าตรัสอย่างนั้นที่เรามาตีนาดูแลวว้วก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นจียงในขอแนะนำพวกท่านทางลาย ถึงแม้ไม่รู้ภาษาไทยพระปารุพระรปัญโยก็จะอธิบายฟังรู้ได้อันนี้หลักการบริหารพระพูเราทั้งหลายนั้นที่นี่พระสันทังหลายจะตั้งอยู่ที่นี่นานนะได้เกิดประโยชน์มาก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 ยังทำให้กลุ่มพุทธสมาคมกลุ่มชาวพุทธเราท้งลายที่ปฏิบัติมาก่อนแล้วเลิกลมไปแล้วนานหลายปีกลับสภาพขึ้นมาอีกในกรุงดอนในธรรมปอ่ะแรมะเตเตนในตั้งอกตั้งใจมีศรัทธาทั้งกรุงปรรารีสเหมือนกัน อันนี้ก็รณีว่ามันเป็นรากขาอันหนึ่งพสอสมควรถึงจะผมไปเมืองนอกผมก็ทำให้เมืองนอกเกิดประโยชน์พวกจำทางนั้นมาอยู่เมืองไทยก็ยิ่งเกิดประโยชน์เหมนกันอืมฉะนั้นอนาคตต่อไปนั้นเราก็ไม่พูดถึงมันแหละเมื่อปัจจุบันเราอยู่อย่างไรก็ต้องทําอย่างนั้นาฉะนั้นเท่าที่ผมนั่นไม่ได้มา น, น, นานๆมาทีหนึง่งอืมก็อย่าเพิ่งเข้าใจผิดเลย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 อืแล้วก็ถ้าไปอยู่แต่วัดประโพง์จริงๆเนี่นก็ไม่ค่อยเข้าใจนะได้ารงวนล่อรอบอยู่นั่นเนี่ไปวัดหนองปลาพงบ้างไปวัดบุ๋มไหว้ว้างรวมไปเรื่อยๆไปไอ้ความรู้สึกหรือคิดทั้งหลายนั้นนะ่ะว่าเราจะไปตรงโน้นมันจะดีตรงโน้นมันจะดีนั่นอันนี้มันเป็นแต่ความรู้สึกของเรา อันนี้ผมก็เคยคิดเคยทํามาแล้วอันนี้ไม่คเคยได้ภาวนาที่จะได้ภาวนานั้นก็พึ่งในภาวนาที่มาอยู่นี่มาอยู่แผ่นดินกับล่าบในป่าพอสมควร น, นี่ย<ม>เนียกกระทางสัญจรมีตาบาดไปมาของสมควรเดี๋ยก็อาศัยบ้านนั่นอยู่แล้วก็ทําเพียเรเดี๋ยวก็ฟังทำทำความเพียรเรื่อยไป นี่ได้ทําความเพียรมากที่นี่เมื่อพูดถึงไปทุรงไอทุรงนั่นถ้าไปจริงๆนะมันก็ดีหรอกแค่ป้าทุกวันนี้มันไปทะรุรงมันไม่อยู่ในดงมันไปอยู่ในบ้านคนดงนี่ก็มาอยู่ทะรุไปด้วยเรื่อยๆไปทุววันนี้ไปทะรุดง